ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประพูติยานในวันนี้ก็คงเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก่อนการสัสรู้พอรู้ศึกษาไปจะเห็นว่าเยอะเหลือเกินแล้วในที่สุดสิ่งเหล่านั้นเมื่อทรงสัตรู้ก็เป็นจริงอย่างที่ทรงรู้เห็นนั่นเองแต่ว่าในขณะนั้นก็รู้เห็นไม่ตลอด ในประเด็นต่อไปก็รับสั่งเล่าไว้ในปัญจมาสูตรภารวัตรบทขันธวัต์สั่งยุตนิกายนะฮะในช่วงหนึ่งเป็นใจความว่าเมื่อพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัตรูนั่นเองมันก็เกิดความคิดขึ้นมาคือถามถามพระองค์เองแล้วมหาคำตอบไปเองตั่อย่างที่บอกว่าในเรื่องตรงนี้จะมองสามจุด คือหนึ่งคุณรื้ความอร่อยก็แล้วแต่แล้วแต่จะมองเรื่องอะไรนะแล้วก็โทษแล้วก็ทางออกหรือทางสลัดออกที่จะมองสามช่วงก็หมายความว่ามองถึงตัวทุกข์ซึ่งคนกําหนัดเพลิดเพลินเนี่ยพวกนี้ที่จริงมาเป็นทุกข์นะแต่คนกําหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอย่างขันห้าเนี่ยในที่นี้ทรงแสดงดึงขันห้า ว่าอะไรเป็นรถอร่อยของขันห้าอะไรเป็นโทษของขันห้าอะไรเป็นขูบายเครื่องพ้นไปจากขันห้าทีนี้เรามาพูดถึงขันห้าเสียก่อนก็เป็นที่น่าสังเกตนะว่าขันห้าเนี่ยมันหมดแล้วนอกจากนิพพานแล้วก็เป็นขันห้าหมดแล้บางทีเราได้ยินคําว่านามรูปบางทีก็เรียกว่ารูปนามบางทีก็กายกับจิตก็ก็คือการนะก็คือเรื่องขันห้า ขันห้าโดยรู ป, ปรขันเนี่ยรู ป, ปรขันก็คือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเราสามารถสัมผัสได้เช่นธาตุสเนี่ยเห็นไหมเราสัมผัสด้วยตาก็ได้สัมผัสด้วยมือก็ได้หรือพวกประสาททั้งห้าพวกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราก็สามารถสัมผัสได้หรือความเป็นหญิงความเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็ดูได้พวกนี้เขาเรียก ก็เรียกวภาวะรูปคือความเป็นผู้หญิงความเป็นชายนก็เรียกว่ภาวะรูปเราก็รู้ได้ด้วยประสาททั้งห้าเพราะงั้นเวลาถามเรื่องรูปมันก็ต้อง น, นึกถึงประสาทสัมผัสไม่จําเป็นต้องรู้มาก่อนให้คิดขึ้นในขณะนั้นว่าเรารู้จักสิ่งเหล่านี้ด้วยประสาทส่วนไหนล่ะตอนเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปยันนอทนอนแข็งก็เป็นรูป แล้วรูปเองก็คือรูปเพราะันรูปเสียงจินรสผลิภณัณธรรมารมที่เขาพูดเนี่ยธรรมารมณไม่เอานะนะความมาห้าอย่างเนี่ยก็คือรูปก็ เ, เรียกว่ารูปประคันคือกองรูปเวลาท่านศึกษาในรายละเอียดท่านแบ่งออกไปเป็นมหาปูตารูปสี่ปูปาธาจะรูปยี่สิบสี่กลายเป็นรูปยี่สิบแปดแต่ว่าคงจะไม่เอารายละเอียดขนาดนั้นนะนะเพียงแต่ว่า รรเราเจอรายละเอียดอีกเยอะเลยแต่ว่าในการทําความเข้าใจทางสื่ออย่างนี้ก็เอาขนาดเนี้ยก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูลินกายสิ่งนั้นก็เรียกว่ารูปรูปมันจึงมีอันเด็กกันันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเรามองจากประสาทสัมผัสมันจะมีอยู่ห้าประเภททางอันหนึ่งแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเช่นสมมุติว่าอะไรสมมุติหนังสือเนี่ย หนังสือนี่เป็นรูปที่เราเห็นด้วยตาแต่บางทีเราหลับตาเนี่ยจับเราก็รู้ว่าเป็นหนังสือแสดงว่าเป็นรูปที่เราเห็นด้วยการจับต้องแต่การจับต้องตรงนั้นมันอาศัยสัญญากับความจําเราจําหนังสือไว้ที่เรารู้ว่าเป็นหนังสือนั้นไม่ใช่รู้ประการจับต้องโดยลําพังแต่ว่าความจําในอดีตของเราเนี่ยเป็นรูวบอกให้รู้มันเป็นรูป เพรกระบวนการเหล่านี้จึงมีความต่อเนื่องถึงกันสัญญานั้นรูปเวทนาก่อนนะเวทนาแปลว่าความสวยอารมณ์จิตซึ่งทําหน้าที่สวยอารมณ์ซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่แปลกคือใช่คำว่าสวยก็ที่จริงคือกินนะจิตที่เขียวกินอารมณ์ก็หมายความว่าอารมณ์ที่มันผ่านมาที่จริงกระบวนการตรงนี้มันยังมีอย่างอื่นฮะ เห็นว่าตาเห็นรูปตาเห็นรูปก็เกิดเขาเรียวกว่าจักรวิญญาณแล้วาสายเนี้ยอา ย, อายตนะภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยสามอย่างรวมกันก็เป็นผัสสะหรือสัมผัสคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกกับวิญญาณก็กลายเป็นความรู้ทีนี้เมื่อรู้แล้วเนี่ยถ้าเป็นการสัมผัสครั้งแรกเราจะไม่รู้มันเป็นอะไรพอเราสัมผัสโลกด้วยอวิชชา แ้วเราก็เกิดมาเพราะอาวิชชาแต่ว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยเมื่อไม่รู้ก็อยากรู้ยังรู้ก็มีการสอบถามสอบถามก็รู้ก็เกิดสัมผัสสัมผัสแล้วมันก็ไปเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแต่พวกนี้จิตมันจะทาหน้าที่จำไว้แล้วในการต่อมาก็จเจออีก สมมติเราเจอคนที่เรารักเนี่ยเราเห็นปั๊บเราก็ดีใจละก็สุขเบทนาก็เกิดแล้ะเกิดที่เราไม่รักเกิดเจอคนที่เราไม่รักเจอปั๊บเราไม่พอใจแล้วเกิดทุกขเบทนาแหละแต่ว่ามีคนบางคนเรารู้จักเขาหรอกแต่ว่าไม่มีอะไรพิเศษเจอก็เฉยเฉยจะทักกันก็ได้จะไม่ทักกันก็ได้จะยิ้มกันก็ได้ไม่ยิ้มกันก็ได้สวนไปเฉยเฉยก็ได้จะทักกันสักหน่อยก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่า ที่กระแทกใจแรงก็คือเป็นสุขก็เป็นทุกข์เพราะเวทนาเนี่ยถ้าพูดถึงทางเกิดแล้วว่ามันแก่หกทางแต่นั้นเองเราเรียกเต็มที่น ะ, ะเรียกเต็มที่ว่าจักขุสัมผัสสชาเวทนาความเสเวย อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากักระสัมผสัมผสเป็นปัจจัยมันก็มาจากการที่รูปที่ตาเห็นรูปแล้วก็เรียงไปเรื่อยเรียงไปเรืเร่อยตามประสาทสัมผัสะะทั้งห้านะฮะท้าหก ความสวยอารมณ์เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยการสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัยสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัยสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยหมายความว่าตรงนี้ยเช่นสมมติว่าเนี่ยคนตาบอดเนี่ยเขาจะไม่รักรูปสวยๆหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่ารูปสวยเป็นยังไงแต่เขาอาจจะพอใจที่เสียง ไม่เขาจะครำจับตจับต้องดูนะะเขาก็คงจะรู้แต่ว่ามันก็เป็นจินตนาการทุกอาจจะพอใจแต่ว่าไม่ใช่เพราะเห็นแต่เพราะสัมผัสเพราะว่าจักรคูประสาทเขาไม่สามารถจะใช้งานได้แต่คนเราก็ใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นได้นะฮะไอ้ตัวนี้เรียกว่าเวทนาเวทนาก็ออกไปตามประสาติสัมผัส ถือเนื่องมาจากตาหูจมูกร่างกายใจเวลาเขาเรียกเต็มที่แต่เราเจอเต็มที่แต่ตามปกติเขาไม่เคยพูดเขาจะเขียนคำว่าจากักขุสัมผัสชาวเวทนาความเสเวยอารมณ์พระจ้าสู่สัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็ในตรงเนี้เมื่อเสเวยแล้วเราก็จําไว้นะต่อไปก็กลายเป็นสัญญาสัญญาแปล ว, ว่าความจําได้หมายรู้โบราณแปลเพราะนะ ความจําได้หมายรู้เพราะว่าจิตที่ทําหน้าที่อารมณ์รับอารมณ์ทั้งผ่านมาทางประสาทสัมผัสที่เ ร, เรียกวิญญาณนั้นมันแก่รับครั้งแรกก็อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรและในสุดก็เกิดเครือบแคลงสงสัยต้องการรู้พอรู้มันก็เกิดเกี่ยวข้องกันเกิดความรู้สึกดีหรือไม่ดีคือชอบหรือไม่ชอบแล้วก็จําเรื่องดอ น, นั้นเอาไว้ ผนจิต ท, ที่ทำหน้าที่จำอารมณ์เนี่ยทีนี้ตัวความจำไม่ใช่จิตนะฮะเ็เรียกว่าสิ่งที่เกิดปรุงแต่งจิตสำรวจบาลีไม่ต้องไปติดใจอะไรก็ได้นะเรียกว่าเจตสิกคือมันเกิดร่วมกวับจิตมีรวรมเดียวกับจิตแล้วก็ดับพร้องกับจิตอาจจะยากไปหน่อยก็มาถึงจุดหนึ่งเราก็นับได้หกเหมือนกัน สัญญาก็รูปสัญญาความจําสิ่งที่เป็นรูปจําสิ่งที่เป็นเสียงจําสิ่งที่เป็นกลิ่นจําสิ่งที่เป็นรสจําสิ่งที่เป็นยนร์ยนตร์นังแข็งจําอารมณ์ทั้งหลายก็หมายความมาสัญญาในสิ่งเรียกสํานวนธรรมว่าอายตนะภายนอกแต่อายตนะภายัยในภายนอกเนี่ยมันก็พูดยากนะคือหมายความว่าเราทั้งตัวเราเนี่เป็นอายตนะภายนอกของคนอื่นแล้วคนอื่นทั้งตัวเขานั่นแหละเป็นอายตนะภายนอกของเรา เพราะนายตนาภายนอกก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคือการจับต้องแล้วว่าการทำความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราดูที่บาลีเขาไม่ได้พูดออกนอกตัวพูดในตัวคนนี่แหละ อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าตุกขอนภิสูจนทั้งหลายเราไม่เห็นรูปเสียงดินรถปุถะอนันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงําใจบุรุษได้ถ้ากับรูปเสียงดินรถปุถะของสตรี <draining> แล้วก็พูดโดย ท, ทํานองตรงกันข้ามว่าเราไม่เห็นรูปเสียงดินรถปุถะอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงําใจสตรีได้ถ้ากับรู้เสียงดินรถปุถะของบุรุษก็แสดงว่ารถเองมันก็เป็นรถที่เกี่ยวกับร่างกายคนแต่ว่า พระเราก็ไม่อยากจะไปอธิบายอะไรอธิบายรถอาหารอะไรก็ว่าเรื่อยๆไปคือว่ามันศีลข้อที่สามเนี่ยส่วนมากพระเราก็ดำน้ําไปเรื่อยๆก็ไม่กล้าอธิบายมันเขินๆยังไงไม่รู้เว้นไอยแต่อธิบายในชั้นเรียนเวลาอธิบายปัญหาเรื่องวินัยนะฮะแล้วก็พระล้วนๆก็อธิบายเดีจะต้องอธิบายเกิดความเข้าใจเพราะในวินัยเนี่ยท่านอธิบายไปละเอียดมากแต่ว่า ยุคสมัยเนี่ยมันไม่เหมาะสมสถานะสถานะของพระไม่เหมาะสมในยุคสมัยมันเปลี่ยนนะต่อไปก็อาจจะอธิบายได้ก็ได้ในแง่ของความเป็นวิชาการนะคือวิชาการเราต้องมองในฐานะที่เป็นวิชาการที่จริงพระเจ้าสอนในเชิงที่เป็นวิชาการเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยทำยังไงจะต้องเข้าใจจะต้องมีความชัดเจนนะฮะไม่ใช่ไปกระดาษกระเดื่องอยู่พวกนี้ก็กลายเป็นสัญญาโขก ทีนี้สัญญาที่เราจำน่ะมันหกประเภทจริงแหละแต่ว่าเราจำในฐานะดีไม่ดีกลางๆใช่ไมเราจำตามกระแสความรู้สึกที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็อยาบัิกรรนี่ก็เรียกว่าสัญญาสังขารเนี่ยหมายถึงหมายถึงสิ่งที่เป็นธรรมะนั่นแหละ เช่นสมมุติว่าโทสะโลภะริช า, ายาอะไรต่างๆนี่สัตว์จกขันติกตัญญูทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปก็สรุปแล้วเป็นกุศลบ้างกุศลบ้างกลางๆบ้างนะแล้วก็มีรายละเอียดในรูปของอริธรรมอันนี้เราก็ไม่พูดอริธรรมนะแล้วก็พูดเป็นทางผ่านแต่ว่าต้องทําความเข้าใจเพราะว่าเราเจอพวกนี้อยู่บ่อย คือมันไม่มีอะไรไปจากขันห้าที่สังขารเราเนี้ยสังขารที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็ไปจากกิเที่ได้ยินพระสวดอริธรรมในงานศพนะกุศล ธ, ล ธ, ลธรรมะกุศลธรรมะพยากตาธรรมากุศลธรรมรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขทำที่อกุศลธรรมะทำที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์พยากตาธรรมะทำที่เป็นกลางกลางให้ผลที่เป็นกลางกลาง ก็แล้วแต่ใจเราจะไปกําหนดเอาแต่ตัวโผลมันจริงๆมันเป็นกลางๆอันนะคแต่ว่าเราก็รู้สึกได้รู้สึกทั้งรักทั้งชังทั้งเฉยๆเนี่ยเรารู้สึกเรได้แล้วก็วิญญาณเนี่ยคือใจที่ทําหน้าที่รู้รับรู้วิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งหรือรู้พิเศษรู้รูปซึ่งผ่านมาทางตารู้เสียงที่ผ่านมาทางหูรู้กลิ่นที่ผ่านมาทางจมูกรู้รสที่ผ่านมาทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่ขาดผ่านมาทางกาย แล้วก็รู้อารมณ์ที่เกิดกระจายที่จริงตัวอารมณ์เนี่ยมันเกิดจากใจอารมณ์ส่วนมากแล้วเนี่ยภาษาศาสนากับภาษากงโยบเนี่ยไม่ค่อยตรงกันภาษาทางศาสนาเนี่ยหมายถึงอารมณ์เนี่ยคือสิ่งที่เราผ่านมาทำภาษาสัมผัสทั้งหมดนะทั้งหกกันแหละทั้งทั้งทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้ง เขาเรียกวปวดทพะซึ่งเป็นภาษาบาลีที่แปลกไม่เกิดในเมืองไทยพูดยากจังเวลาใช้เราใช้สัมผัสที่จริงผิดองคธรรมนะผิดสภาวธรรมแต่ไม่รู้จะใช้อย่างไงอ่ะคำว่าพวดทพะมันไม่ยอมเกิดในสังคมไทยเลยพอถึงโวธภพะก็สะดุดโครมนันทีเลยไปไม่ได้พรานเราจะ ร, รูปเสียงกลิ่นรสพะพวดทพะเราก็เปลี่ยนสัมผัสได้เลย พิสภาวะธรรมตรงนี้พูดถึงสิ่งที่กระทบนะฮะไม่พูดถึงอถึงตัวสัมผัสสัมผัสน้ำพูดกระทบแล้วคือธรรมะไปะถึงจุดหนึ่งมันพูดเป็นขนะแต่เอาแล้วก็ฝั่งฟังไว้ฟังไว้ในะรูปสัมผัสไปก่อนแล้วธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจิตมันปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเหนือนึกจังพวกวิตกทั้งหลายที่เราผ่านมาแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆพวนี้มันเป็นธรรมารมณ์แล้วก็รมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต แน่นอนมันก็ของเก่านั่นแหละของเก่าเก็บเพราะฉเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูตัวตัวเรื่องวิจิตตสังขารคือสิ่งที่ปลนปลือจิตตกแต่งจิตของเราเนี่ยคือสัญญาคือสิ่งที่เราจําก็เวทนาคือสิ่งที่เราสวยอารมณ์ไป้วกนี้ที่จริงเป็นเรื่องอดีตนะแต่มาวันนี้พินิตฉัยในปัจจุบันหมายความสัญญาความจําในอดีตความสวยอารมณ์ในอดีตเนี่ยพอเห็นคนที่เรา เคยมีความรู้สึกที่ดีเป็นสุขเวทนามาก่อนเราจาความดีเขาไหแเราก็ดีใจคนหนึ่งเราจำความไม่ดีของเขาไหวเราประสบความทุกข์จากเขาเราก็จาไว้เหมือนกันพอ เ, เจอแล้วก็หงุดหงิดแล้วรงคาญแล้วไม่สบายใจแล้วแต่ตรงนี้ถ้าหากว่าใจไม่ถือสาใจไม่อภยัยใจใจใจอภัยไปนะมันจะเกิดอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาคือไม่ยินดียินได้อะไร รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงกษัต็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นกษ็สักแต่ว่ากลิ่นรสกษั็สักแต่ว่ารสสัมผัสไอ้ปวดร่าพาก็สักแต่ว่าปวดร่าพารือสัมผัสก็สักแต่ว่าสำคัญจิดมันก็เฉยถามว่าทําได้ไหมไอ้จิตเฉยเนี่ยที่จริงเราก็ทําอยู่นะเราสังเกตเวลาเราเดินทางสวนกับคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่นะเราไม่รู้จักสวนกันไปสวนกันมาสวนกันตั้งแต่ และคุ้มใหญ่อย่างตมามาอยู่วัดวอดเนี่ยสามสิบเจ็ดสามสิบปดปีแท้วนะมีคนเยอะฮะเราเดินสวนกันทุกวันแต่เราไม่รู้จักเราไม่เคยถามเขาก็ไม่เคยถามเราเราก็ไม่เคยถามเขาแล้วก็ไม่มีธุระอะไรที่จะต้องไปถามถ้าเจอเขาก็เรียกหลวงพ่อเราก็เรียกว่าโยมเอาไปเอามาไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้จักเหมือนเดิม มันก็เป็นภาษาให้เรียกให้ใช้มันมีภาษาให้เรียกให้ใช้อยู่แล้วก็เรียกใช้ไปตามปกติธรรมดาก็จิตโดยไม่เกี่ยวกับอะไรเรากลายเป็นความรู้สึกเฉยๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เราชอบหรือไม่ชอบมันก็รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือการเก็บความรู้สึกต่อบุคคลเหล่า น, นั้นเอาไว้ทั้งสามอย่างนี้มันเป็นได้หมดเลยทําไมพระอาหารหันต์ท่านถึงเฉยล่ะ ท่านจึงไม่ยินดียินร้ายไม่มีสุขมีทุกข์อะไรละเพราะว่าไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ยินดียินร้ายความจําในด้านลบไม่มีพระพุทธเจ้าท่านมองคนอย่างเดียวท่านเองมองคนด้วย ก, กรุณา์ด้วยความสงสารต้องการจะช่วยเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าไม่ใช่ว่าพอเห็นเข้าแล้วก็สงสารจนน้ำตาไหลไม่ใช่อย่างนั้นก็สงสารได้มีปัญญารู้เท่าทัน เราจะช่วยเขานี่ช่วยได้ขนาดไหนไม่ใช่ช่วยได้ทั้งหมดครับมาก็เท่าที่ช่วยช่วยได้แต่นั้นเองโดยเช่นว่าบางเรื่องก็ช่วยเพียงแต่ให้เขาทําจิตเรื่มใส่ก็ช่วยได้ขนาดนั้น่ะช่วยอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าจิตเขาก็ผ่องแผ้วก็บังเกิดในสถานที่ดีในกติที่ดีก็ดีกว่าจิตที่ไม่เรื่มใส่แต่บางคนเนี่ย มีความพร้อมพรานครุณาก็ขึ้นสูงที่จะประทานมรรคผลให้แก่เขาแต่ไม่ได้ส่งให้หมายความมาบอกเหตุให้แต่ว่าผลจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยอยู่ที่เขาประพฤติกระทำเอาเองทํานองที่คนก็อยากกินผลไม้เราต้องการเนีเขากินได้ตลอดก็คือตอนกิ่งไปให้หรือว่าเมล็ดไปให้ปลูกเอาแต่อย่างนั้นนะเขาจะได้กินผลไม้ตลอด บางในวิธีแจกเป็นวิธีที่มันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็ไม่ควรทําบ่อยๆเพรทําบ่อยๆนี่ไม่ใช่ง่ายนะฮะสังคมไทยเนี่ยคือสร้างลักษณะนิสัยที่รอของแจกบางทีก็เป็นปัญหาทาวร อ, อย่างสังคมอินเดียเนี่ยพวกผู้คนทานอินเดียในมาไปแจกให้แก่น้อยแล้วก็ยุ่งเลยแหละถ้าจะแจกก็ต้องนั่งในรถ แล้วก็ยื่นมือออกมาข้างนอกแล้วก็ส่งให้รถไฟไปเลยเพราะเราไม่มีอะไรไปแจกให้เขาหมดหรอกแจกก็ลำบากนะฮะจะทําจะสงเคราะห์คนยากจนในอินเดียนทีก็ลำบากมากต้อง ด, ด, ดูดูทีนี้ทีไายให้ดีตัวลงลิญญาเราก็มีหกเป็นความรู้ซึ่งเกิดขึ้นทางอายตนะภายในในเราสังเกตเวทนากับ สัญญาเนี่ยเขาพูดถึงอัยตนาภายนอกจักสุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยหมายความว่าไอ้ตัวรูปอะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดเวทนารูปสัญญาสัทธสัญญาไม่ก็หมายความมองจากข้างนอกที่เราจำเอาไว้แล้วบญญาตเนี่ยมันเป็นงานข้างในคืองานตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา เพราะนี่จะุบิญญาณโซตบิญญาณคณะวิญญาณยุหวิญญาณกายวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณรวมแล้วก็เป็นวิญญาณหกแล้วทั้งสามนี้ยสรุปแล้วก็เป็นจิตกับเจตสิตกไม่ใช่ทั้งสเนี่ยนะสี่นี้พวกเวทนาพวกสัญญาพวกสังขารเนี่ยเป็นเจตสิกวิญญาณเนี่ยเป็นโดยจิตตกลงมาตรงนี้กจ็จิตจิตเรเรียกเรียก ง, ง่ายๆก็เรียกจิตไปเลยเพราะว่าจิตเนี่ย มันเกิดโดยลําพังไม่ได้มันต้องอาศัยเจตสิกก็เรียกรวมๆไปนะแต่ถ้าเราเรียกคนเรียกอะไรเนี่ยก็จริงมันก็หายากเหมือนกันนะคนไม่รอยู่ตรงไหนเหมือนกันน่ยตรงลงตรงนี้ก็คือชีวิตเป็นรูปกับนามเป็นขันเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ตามนะตัวขันห้าทั้งหลายเนี่ย รวมแล้วก็คือเป็นชีวิตเป็นสัตว์ตโลกเป็นบุคคลเป็นชนเป็นประชาชนเป็นสัตว์และแต่จะเรียกกันพวกนี้สรุปแล้วก็คือขันห้าพระโพธิสัตว์ท่านมองแยกแต่ก่อนมองแยกเสก่อนเพราะมองรวมแล้วมันเป็นที่ตั้งของความกําหนับความกําหนัดความเพลิดเพลินไม่จะมอง ง, ง่ายๆนะมันนานมาแล้วท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะเคยนึกออกนะมีคราวหนึ่งที่ เขาทาเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายผ่าซีกนะฮะเป็นโครงกระดูกอยู่ซีกหนึ่งแล้วเป็นชุดราตรีกับชุดสูดทอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็เขียนคําตอนข้างท้ายนะข้างล่างเนี่ยว่ น, นัตติสังโควิชาณตังแปลว่าผู้รู้หาข้องอยู่ไหมคือผู้รู้จะไม่ข้องอยู่ในสังขารร่างกายที่่องเปิดหน้าเราเนี่ยพระก็ไปใช้เป็นอารมณ์กรรมาฐานเพ่งเพื่อจะเอาไอฝ่ายที่แต่งชุดราตรีกับชุดสูทเนี่ยออกไว้เหลือโครงกระดูก ก็กดว่าเพ่งไปเพ่งมาใจไม่ดีพอไอ้ควายโครงก็ดูกลายเป็นวายเนื้อไปกรรมฐานเลยแตกแลวสึกไปเยอะเลยก็ถามพวกพวกชุดนี้ด้วยกันถามว่าหายไปไหนก็บอกว่าพ ว, พวกผู้หญิงเอาบาดไปทำรังไก่ซะเยอะเป็นขบวนนะครับนั่นเนี่ยเจริญกรรมฐานกันก็ยี่สิบกว่าปีมาแล้ว เพราะการมองโลกอย่างเนี้มันมันมองมองมองยากถ้าไม่แยกเสก่อนท่านจึงมองแยกเราสังเกตท่านจะมองแยกไปตลอดเกษารมานะขาดำตานเนี่ยดูผงขนด้วยผนังเพราะอะไรเพราะกลัวว่ารวมแล้วมันจะเกิดปัญหาจะมองยากแม้แต่มองศพเนี่ยไม่ได้มองศพใหม่น่ะศพไใหม่ ม, มองไม่ได้นะ ต้องมองศพที่ขึ้นน้ำเหลืองไหลเยอะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ไหลมีนอนด้วยเยื่ออะไรแตร่ต้องดูจากนั่นไปไม่ใช่ศพจิตอานะฮะคือต้องดูศพธรรมดาที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาจิตมนุษย์เนี่ยมันแปรผันได้ง่ายมันมีความกำหนัดในขณะเดียวกันมันมีความกลัวผีอยู่ด้วยแต่เราต้องการจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้จึงไม่ ใช้ในแนวที่อาจจะเกิดความกำหนัดหรืออาการกลัวผีแต่ให้เกิดธรรมะขึ้นภายในใจน้อมนำศพหมาเราน้อมนำ เ, เราไปหาศพแล้วก็จะเห็นความเป็นนั่นเองกันเดียวกันที่ส่งใช้กันว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นั่นเองต้องฟังแลาย ในรมปแบบพิธยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเแห่งท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี